เอชเอนเทอร์เทนเมนต์ูมใจเสนอเรื่องราวแห่งความรักการเสียสละและการให้อภัยแม่สเสรียงที่รัก โอเกเป็นไรอ่ะเป็นคนไงไม่น่าถามกินลรงตนที่ไหนมาเหรออย่ามายัว่วโมโหนะพี่สุเวก็ายั่วอะไรเองฮะก็นี่ไงล่ะพี่ยัว่วโมโหฉันอยู่แล้วนี่ไงโธ่เลยข้าเน่ะถามด้วยความเป็นห่วงกังหากแล้วพี่นะเหรอห่วงฉันอืมใช่มีอยากจะเชื่อเก็บความห่วงใ ย, ยไปให้สีลาจะดีกว่าไหมทำไมถึงพูดแบบนี้ก็ไม่จริงอะ่ะ หายใจเข้าหายใจออกก็มีแต่ชื่อของสีลาคนเดียวเท่านั้นน่ะเห็นไอ้หน้าไหนก็หันไปสนใจสีลาฉันอยากจะรู้นะักสีลามันมีดีอะไรพวกผู้ชายถึงได้รุมตอมเหมือนมแมลงวันตอมของเน่าเหม็อนอย่างนั้นน่ะเปรียบเทียบซะหน้าเกลียดเจ้ะทําไมสีลานะ่ยนะเขาไม่ใช่ของเน่าเหม็อนอะไรสักหน่อยหนึ่งแล้วคนที่สนิทสนมกับสีลาก็ไม่ใช่มแมลงวันด้วยก็แล้วเป็นอะไรอะ่ะก็ไม่เด็ดเป็นอะไรทั้งนั้นน่ะพี่ม่รู้ตัวมั่งหรือไงรู้ตัวอะไร พี่น่ะไปแอบหลงรักศีลาข้างเดียวนะ ท, ท, ทั้งๆที่ศีลาไม่ได้สนใจพี่สุเวเลยสักนิดเดียวแล้วมันจะมีประโยชน์อะไรอะ่ะก็เรามีความหวังดีให้กันกันล่ะไม่ดีเหรอพี่สูเวกําลังหลอกตัวเองตั้งหากละ่ะหลอกตัวเองยังไงก็นี่ไงพี่รักศีลาจนหมดหัวใจรักจนหัวปักหัวปำแล้วยังจะมาบอกว่ามีแต่ความหวังดีรักศีลาเหมือนน้องมึ่งละ่ะแล้วจะหลอกตัวหลอกหัวใจตัวเองไปทําไม ให้หัวใจตัวเองชุ่มชื่นไปวันๆอย่างนั้นเหรอเลยไม่ยุ่งอะไรด้วยก็ฉันสงสารพี่นี่นะไม่ต้องเลยไม่ต้องมาสงสารพี่เลยแล้วก็ไม่ต้องมาสมเพชด้วยข้าทำอะไรข้ารู้ตัวดีไม่จาเป็นให้ใครต้องมาเตืนสติหรอกทำไมอ่ะฉันพูดไม่ได้เลยหรือไงฉันไม่ใช่เพื่อนของพี่หรือไงถ้าเป็นเพื่อนจริงๆก็ไม่พูดแบบนี้อา้าวแล้วจะให้พูดยังไงปลอบโยน แล้วยกให้พี่หลอกตัวเองไปเรื่อยๆอย่างนั้นหรอพอพอพอไม่ต้องพูดแล้วไม่อยากฟังว่ะคอยดูนะพี่สุเวคอยดูอะไรสักวันพี่จะต้องน้ำตาเช็ดหัวเขา่าเ <c oughs> พราะสีเขาไม่ได้รักพี่และมันมีวันแต่งงานกับพี่ด้วยแต่สีลากลับไปแต่งงานกับหนุ่มบางกอกนั่นแทนดีสิข้ามีความดีๆเป็นอย่างยิ่งเชวลา่าพี่สุเว จริงใจไงข้าอยากจะให้ศีลาตแต่งงานกับคุณเทพเหมือนกันเพราะเขาเหมาะสมกันราวกับกิ่งทองใบหยกชลาฉันว่าพี่สูเวจะต้องเป็นบ้าไปแล้วแน่ๆเลยเปล่าข้าไม่ได้บ้าบ้าแล้วพี่สูเวรู้ทั้งรู้ว่าความรักของพี่อ่ะมันไม่มีทางเป็นไปได้มันมีแต่ความช้ำใจและยังจะไปแอบรักศีลาอีกรักไปทําไมกันน่ะฮะความสุขไงอิจฉาหรือไงฉันไม่เคยอิจฉาพี่แล้วเมื่อก่ ไม่รู้จะอิจฉาไปทําไมอ่ะอ๋องานรู้แล้วถ้างั้นเอ็งก็อิจฉาศีลาเพื่อสนิทของเอ็งเองนี่อย่ามาใส่ร้ายฉันนะข้าไม่ได้ใส่ร้ายนะแต่การแสดงความอิจฉาของเอ็งมาแสดงออกมาให้เห็นน่ะไม่จริงอะ่ะจริงโอ๊ยทําไมมีแต่คนว่าฉันนะ <c oughs> ในสายตาของพี่ซูเว่ฉันเลวมากนักแล้วไงข้าไม่ได้พูดว่าเอ็งเลวนะเอ็งคิดไปเองทั้งนั้นแหละ <c oughs> ก็ใช่สิ ฉันไ ม, ไม่ได้สวยอย่างศีลาเนาหนินาะลองฉันสวยเหมือนศีลาสิอยากจะรู้เหมือนกันว่าไอ้พวกผู้ชายมันจะตามฉันต่อยๆ อ, อ, อย่างสีลาไหมโธเอ้ยตัวเข้าขั้นบ้าแล้วนะบุเก้ฉันไม่ได้บ้าคนบ้ามันจะเถียว่าตัวเองไม่บ้าเสมอแหละพี่สุเวเอาแล้ ว, ล ว, ลวนะขี้เกียจทะเลาะด้วยละไปไหนก็ไปไ ป, เ, ปเก็บใบชาสุมนู้นไปอย่ามาอยู่ใกล้ๆแค่เลยเดี๋ยวชวนทะเลาะกันจนได้ ติดตามรับฟังรายการละครวิทยุแม่เสียงที่รักนำเสนอโดย Nation Entertainment บางคราวเธอคงอาจเไปความงามตามใครไม่ใช่เธอจะลองมองความเป็นเธอที่สอนไวมันทำให้เธ อ, อยิสวยงามันทำให้ฉันยิ่รักเธอ I can hear now. มองเห็นได้ใและรับรู้ได้ตาคือของวล้ค่ายิ่งใหญ่มองเห็นได้เสมอรเธอสวยงามที่ใจและสหรับฉันมันคือความอัศจรรย์ Oh, oh, oh, oh. s o m e w h o m e h somewhere, o h o h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 Life that I have. ใจอยู่คงเพราะรอวันนี้รอคนดีพร้อมันใจวาดไวแต่สุดท้ายก็บอกเธอเธอคนที่เป็นครึ่งหนึ่งของชีวิตที่คา So t a l a w a n d c l a y a You. ละครวิทยุแม่โซเรียงที่รักนำเสนอโดย Nation Entertainment ฉันช่วยไหมสีลาอ้าวมูซอมาทําไมอ่ะฮะก็จะมาช่วยเธอเก็บใบชายไงล่ะไม่ต้องทําไมอ่ะรังเกียจฉันเรื่งไงไม่ใช่รังเกียจสักหน่อยแล้วอะไรอ่ะฉันเบื่อได้ยินไหมเบื่อสีลาทาไมถึงพูดแบบนี้ก็ฉันเบื่อจริงๆนี่นี่ขอร้องละมูซอช่วยเบียงห่างตาฉัหน่อยได้ไหมนี่ศีลาฉันอุตสาวมาช่วยเธอนะฉันไม่ได้มาสร้างความเดือดร้อนให้เธอสักหน่อยทําไมต้องมาไล่กันด้วยอ่ะจะไม่ได้ไล่ แต่ชันเบื่อฉันอยากเก็บใบชาตามลําพังคนเดียวเฮ้อนี่ถ้าผู้ชายคนนี้เป็นไอ้หนุ่มบางกอกนั่นอยากจะรู้นักว่าเธอจะแสดงท่าทียรังเกียจอย่างนี้หรือเปล่าหมูซอนี่นายเห็นหน้าเขาแล้วเหรอหน้าใครก็ตะกี้เนี้ยนายพูดถึงใครเล่าก็ไอ้หนุ่มบางกอกใช่ไหมนายเจอเขาแล้วใช่ไหมไม่ต้องเจอหน้าก็รู้กันทั่วหมู่บ้านแล้วล่ะเขาจะเป็นยังไงมันก็เรื่องของเขาก็ไม่ดีว่าอะไรนี่นะคนอย่างฉันไม่ทําร้ายใครอยู่แล้ว ของพันเนี่ยใครดีใครได้จริงมากฉันไม่ใช่ของเล่นนะถึงจะได้มาแย่งกันน่ะก็ไม่ดีว่าอะไรนี่นะฉันว่าการที่นายตามมาตอแย่ฉันแบบเนี้นายอ่ะไปทำมาหากินจะไม่ดีกว่าเหรอได้แต่มีข้อแม้ข้อแม้อะไรถ้าฉันไปทำมาหากินแล้วก็เขอต้องแต่งานกับฉันจบ้าหรือไงไม่รู้ล่ะว่าไงอ่ะไม่ฉันไม่มีวันแต่งงานกับนายเด็ดขาดทําไมอ่ะฉันมันไม่ดีตรงไหน ฉันได้กว่าไอ้หนุ่มบังกอกคนนั้นตรงไหนหรอนี่มูซอนายอย่ามาพานแถวนี้นะฉันไม่ได้พานแต่ฉันอยากรู้เหตุผลความรักมันห้ามกันไม่ได้นายไม่รู้หรือไงแล้วไงฉันรักใครมันก็เรื่องของฉันนายจะมาบังคับให้ฉันรักนายน่ะมันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าฉันไม่ได้รักนายเลยไม่ต้องรักเป็นเมียฉันแล้วเดี๋ยวเธอก็รักผัวไปเองแหละนี่เงียบไปเลยนะมูซ่าสีลามิเธอ อย่ามาพูดใจหยาบคายกับฉันนะนี่ไม่ใช่คำหยาบคายนะศีลานายไม่ต้องพูดแล้วไปเลยไปจะให้ฉันไปไหนอ่ะไปไหนก็ได้แต่ว่าอย่ า, าให้ฉันเห็นหน้าก็แล้วกันโธศสีลาไปสทัทีสิฉันจะไปหาพ่อเท่าพี่หาพ่อฉันทำไมฉันจะไปขอเธอแต่งงานกับพ่อเท่าอย่านะมูซอ้อเธอห้ามฉันไม่ได้หรอกนะศีลาตามใจนี่เมื่อเธออยากจะลองดีกับพ่อฉันก็ตามใจ แต่ถ้าหัวแบกกลับไปแล้วก็จะหาไว้าฉันไม่เตือนไม่ได้นะมูซอเออแล้วเธอคอยดูก็แล้วกันเอ๋อเดี๋ยวก่อนมูซออะไรฉันจะไปไหนอะ่ะฉันจะไปเตรียมสินสอดทองมั่นไปขอเธอกับพเท่ายัางไงล่ะนี่อย่าบ้ามันมากเลยนะถึงฉันจะบ้าก็บ้ารักเยอะถ้าจะบ้าไปแล้วนะมูซอเนี่ยโถเอ้ยนึกหรือว่าพ่อจะยอมยกฉันให้เธอง่ายๆ ทุกอย่างนี้มันต้องขึ้นอยู่กับฉันคนเดียวเท่านั้นลองฉันไม่แต่งพ่อก็ห้ามฉันไม่ได้ชาวแม่เสเรนต์ถือคริสกันหมดแล้วเรื่องความรักเป็นเรื่องส่วนตัวมีอิสระในการตัดสินใจแล้วผู้ปกครองไม่ต้องมาใช้วิธีคลุมถุงชนเหมือนแต่ก่อนแล้วนี่ อ, อ้าวแล้วศิลาล่ะจะไปไหนฉันจะไปเตรียมอาหารกลางวันให้คุณเทพนะ่ะป่านนี้คงจะหิวแย่แล้วล่ะเอาสิเรื่องใบช า, าไม่ต้องห่วงหรอกเดี๋ยวจัดการเองขอบใจมากนะจ๊ะพี่ไม่ต้องขอบใจหรอกรีบไปเถอะงั้นฉันไปก่อนนะแล้วพี่ก็รีบกลับไปกินข้าวด้วยล่ะ <c oughs> จ้ะบูแกบูแกอะไรฉันกลับก่อนนะจ้ะอาอ้าวทาไมรีบกลับล่ะ จะไปเตรียมอาหารที่ให้คุณเทพนะแหมหน้าอิจช่าวพนุ่มบางกอกนั่นเนอะนั่งๆ่งนอนๆก็มีคนไปปริบัติอย่างดี <c oughs> ไปก่อนนะอ่ะไปเถอะไปเถอะ ไม่ต้พูดเลยเอ๊ะพี่นี่ยังไงนะฉันจะพูดไม่มีอะไรจะพูดพี่มารู้สึกน้อยเนื้อต่ําใจมั่งหรือไงพี่ทํางานแทบตายไม่ยักเห็นสีลาเอาอกเอาใจพี่เลยแต่ที่กับไอ้หนุ่มบางกอกนั่นละก็เป็นห่วงเป็นายกันซะเหลือเกินโถเอ้ยเล่องมาเดือดร้อนอะไรด้วยอ่ะฮะกดชานอิฉาโอ๊ยพี่สุเวยนี่ยังไงกันนะพอเลยไม่ต้องพูดแล้วไปเก็บไปชาต่อไป แต่บอกแล้วไงไม่ต้องพูดแล้วไม่อยากฟังลำคาญมากด้ว ย, วยคุณได้รับข้อคิดอะไรบ้างจากการรับฟังละครที่จบไปแล้วนี้โปรดเขียน